พราะฉะนั้นเองก็อยากจะให้พวกเราเข้าใจลักษณะอนี้ก่อนว่าให้ไปดูอาการลำดับอย่างเนี้ยคือรู้ง่ายๆไม่ว่าลุกเดินนั่งนอนอะไรก็ตามให้ดูอาการเกิดอาการดับจากการหยุดการเคลื่อนการเข้าการออกของลมหายใจการดิ้นมือเคลื่อนออกไปการหยุดมือการจับการปล่อย ซึ่งอาการเหล่านี้มักจะทําให้เราหลงได้ง่ายโดยที่เราไม่ไม่รู้ชัดดังนั้นพอเรารู้ความเป็นไปเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยการเตรียมตัวเพื่อที่จะเฝ้าระวังเตรียมตัวพิสังเกตก็ง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นรายละเอียดธรรมบุตรวันนี้เอาไปทําดูทําได้แค่ไหนแค่นั้นแหละแต่อย่าพยายามทําเกินกําลังกรณนถ้าเกินกําลังเกิดปัญหา แต่เราก็ต้องทําดูว่ากําลังได้แค่ไหนถ้ามันเบาเกินไปรู้สึกเออมันออกไปขยับให้มันหนักขึ้นมันนิดหนึ่งหนักเกินไปรู้สึกตึงขยับลงมาปรับให้มันพอดีแล้วก็จะเจอความสมดุลนั่นคือความต้องการของเราแต่ทีนี้บางทีแยกกันไม่ออกระหว่างสติกับสัมผััญญะสติเนี่ยเหมือนเรามองอะไรมองลูกสวนเนี่ยเรามองด้านหนึ่งใช่ไหมแต่ถามว่าในกลีบลูกศวนเนี่ยมันมีเป็นหลายร้อยกลีบเนี่ยนะ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 อยู่ขึ้นมาในการมองมองด้านเดียวได้สติหมุนนองให้ครบได้สัมปชัญญะแต่ยังไม่ได้ปัญญาเพราะไม่รู้ว่าจํานวนกี่มันเท่าไหร่กันแน่ถ้าจะนับด้วยสายตาเนี่ยไม่ครบแน่สมมติว่ามันมีร้อยกี่มันคุณอาจจะรับได้สักเจ็ดสิบไปสิบนะเพราะเล็กๆเกนี่นยมองไม่เห็นชัดนะมันจะนับหลงไปลงมาเนื่นองจากว่ามันถี่มากเพราะฉะนั้นจีบของเราไม่สามารถโฟกัสเฉพาะจุดได้เลยติดเหัน แต่พอเราแยกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นปั๊บเนี่ยเราจะได้รู้จํานวนแ น, น่นอนคือปัญญาเพราะนั้นสติสัมผัและปัญญาก็ทํางานสัมพันธ์กันอย่างนี้สติคือมองด้านใดด้านหนึ่งสมัมผัมองครบด้านแต่ไม่รู้รายละเอียดแต่พอไปแยกรายละเอียดมาปั๊บเป็นปัญญาการมองก็เสียกันบางครั้งเราจําเป็นนั่งมองด้วยสติเท่านั้นไม่จําเป็นต้องมองทั้งหมดบางกรณีนีบางครั้งต้องมองด้วยสัมผัสะคือดูทั้งหมด บางครั้งต้องการอะไรมันอะไรอะไรกันแน่เนี่ยต้องแยกออกมาทีละจุดเลยโอ้หนักอันนี้เบาอันนี้วิธีคุณดูนะอ่าในกรณีเช่นนั้นก็จะได้ครบทุกมิติทั้งสติทั้งสมรยแยทั้งปัญญาในกรณีตัวอย่างแบบเนี้ยถ้าเราไปบูรณาการใช้หลายๆตัวอย่างตัวนี้มันก็จะเจริญได้ไหวเมื่อไปดูจิตกันเหมือนกันดูจิตแบบรวมๆเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวมันไม่คิดแล้วก็รู้มันหลงหลวงท่านเองนะเป็นบางด้าน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 นายปล่อยให้การเกิดมากกว่าดับตัวนั้นเขาเรียกว่าเผลอแต่ถ้ามันเกิดดับเท่ากันเราไม่เรียกว่าเผลอเราเรียกเป็นเห็นด้วยปัญญาตัวนั้นเอ๊ะคำว่า ล, ล, ล, ลืมตัวเผลอไปหรือเผลอคิดไปเนี่ยเราจะใช้สำนวนภาษาอังกฤษว่างไง<ม>ฉันเผลอคิดไป ให้เขาให้คนเจ้าของเขาเขา้าเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยเราจะใช้สับ really. oh, ไอในกรณีนี้มันสลิปอินนะมันสลาดเข้ามาเผลอเอคิดเผอความคิดเข้ามาตรงเนี้ยเราจะเข้าใจความหมายว่าไงว่าความคิดมันออกจิตมันออกไปหรือความคิดมันเข้ามากันแน่ mm.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 เพราะว่าการกระทบทางอายตนะห้าไม่ค่อยมีเยอะนะจนกรเราอมาเจอคู้คนทาอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจะสลับออกไปมันเริ่มจะมีคาว่าสลับอินกับสลับเอาด้วยสลิปอินเนสลิปเอาต้องใช้ดูให้ถูกสนาการณะแต่ยังไม่เข้าใจที่ว่าความคิดออกาไอ้จิตอันเข้าอันที่ภาษากระทบแล้วความคิดเกิดขึ้นนี่คืออันนั้นหละมายสลิปเอา อ, อาไปรับไปรับ oh. รับรู้รูปเสียงกีรตที่มาสัมผัสอ่ะนะแล้วก็นำเอาภาพนั้นเข้ามาคิดต่อ oh. นี่เขาเรียกอะมายสลิปเอา uh, แต่ถ้าหากมันคิดจากใจแล้วนำเอาเานำข้างนอกเข้ามาเนี่ยเข้ามาคิดต่อเนี่ยเป็นสล oh. ิปอินอ๋อถ้าเกิดอันนั้นมันก็เหมือนปรุงแต่งใช่ใช่แต่ <laughs> แต่ความจริงแล้วสลิป กระทบเนี่ยเป็นต้นเหตุนะแต่สลิปอินเนี่ยเป็นต้นเหตุแต่ s ลิ p out เนี่ยเป็นเป็นเป็นปลายเหตุทำให้จิตท้ออกไปเพราะว่ามันมีการเข้ามาก่อนฮะไม่รู้นะเป็นภาษาเป็นเป็นก็เป็นรูปนามคือนาความร้อนเป็นรูปใช่ไหมแต่รู้สึกได้ว่าแต่ขณะนั้นท่ามันเป็นดสองอย่างนะครับเป็นนอย่างเป็นทั้งนารูปด้วยพอเกิดความอ่า พงาเอามันร้อนนี่นะตอนที่พังงาไม้คือมันเป็นนามูปใช่ตอนที่มันมารู้สึกรู้นมันรู้สึกของมันคือการมันรู้สึกว่าอันนี้คือร้อนสจจริงรู้สึกว่าอันนี้ร้อนแต่ไม่มีไม่มีคาว่าไม่มีคาว่าชอบหรือไม่ไม่มีคาว่าชอบหรือไม่ชอบน้าร้อนนั้นใช่หมครับไม่มีครับแต่ว่ามันจะรู้สึกกันได้แต่ไอ้เนียไม่เวทนารูปเป็นเวทนาเป็นเวทนา อันนี้หมายถึงว่าเราติดสังเกตใชหครับใช่สังเกตหรือว่าหนักเบาอะไรก็แล้วแต่สังเกตร้นเย็นแล้วแต่เป็นการรว่ามันร้อนคือสังเกตเป็นจุดๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะพอหลายจุดแต่หลายจุดเข้ามันก็จะเกิดทักษะแต่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ด้วยกันไม่สังเกตมันก็ผ่านๆไปถือเรื่องธรรมดา่แต่ในเวลากรรมฐานแล้วเนี่ยจุดเหล่านี้คือเป็นจุดต้นเหตุของการปฏิบัติถ้าจะมานั่งสมาธิหรือมาสร้างจังหวะอย่างี้มันไม่พอ ในการที่เก็บมันนะมันก็ต้องจับทุกจุดไปฝึกทำเพื่อให้กรรมฐานมันก้าวหน้าท่านเองพ่อครับพ่อช่วยพูดีนึ่งเมื่อกี้ผมพูดพ่อูบอกว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเห็นเกิดมากกว่าดับนี่คือเราตั้งใจมากเกินไปใช่เกิดมากกว่าดับไหมเพราะว่าเราเผลอมากไปเผลอมากไปมันก็คิดมากกว่าไม่คิดนะคือหมายก็ว่าควรจะรู้ทันมันไปตั้งหลายความคิดแล้วที่มรู้ทันเนี่ยเขาเรียกเกิดมากกว่าดับแต่ว่าเกิดในรู้ทันที่นั้นก็ดล การเกิดการดับเท่ากันเพราะนั้นเป้าหมายเราต้องการอยูนั้นเดี่ยวเท่ากันก็ถือว่าสมดุลบาลานตัวฟุ้งเนี่ยมันเป็นตัวที่มันมันจิตรู้ว่าจิตเนี่ยมันเพลินแล้วมันก็ไปสู่ความสงบพอเขาสงบที่สมญะยังไม่เข้มแข็งใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นถีนะคือง่วงแต่ในกรณีที่ฟุ้งเนี่ยมันไม่มีตัวทั้งสติสมญาณอยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันจะ ทำให้กล่องเป็นง่วงเนี่ยไม่ได้เพราะจิตของเรามันไม่สงบละมันก็จะไปติดเดีฟุ้งเพราะฉนั้นฟุ้งกับต้องถามว่าฟุ้งกับง่วงอันไหนแก้ได้ง่ายกว่าหลวงพ่อเทียนนั้นใช้ว่าเอาขี้เป็ดมาล้างขี้ไก่แก้แบบเอาขี้ป็ดมาล้างขี้ไก่ล้างเท่าไหร่ก็ไม่เปื่อนแล้วใช่มาหลังเพราะว่ามันหมดช่วงของความเพลินและมันกลายเป็นความเบื่อเหมือนกับนั่งนานๆมันหมดช่วงขความสบายมันกลายเป็นความหนักงี้นะเบาสักพักก็หนักมันก็มันก็ดับแต่มันเกิดไปอันใหม่ซะ เพราะนั้นวิธีทั้งสองอย่างปล่อยมันเกินดับเองก็ดีแล้วเอามากรบกันไม่ใช่เป็นวิธีแก้เป็นวิธีที่เรียกว่าสร้างปัญหาใหม่เพื่อจะไปแก้ปัญหาเก่าอย่างนี้นะหมายความว่าอยู่ที่บ้านนะไม่รู้สึกอยู่กับครอบครัวไม่สนุกออกไปกินเหล้านอกบ้านดีกว่าใช่เอาคิดเป็นมาล้าขี้ไก่ยมันไม่ไ ม, ไม่ไม่สาดแนวกันนั่นนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้อนันนี้ก็หาอย่างอื่นทําคือหาเรื่องทำไม่ใช่หาเรื่องคิดเพราะหาเรื่องทำเพื่อเบี่ยงเบนประเด็น มันจะรู้สึกพอรู้สึกขึ้นมาปั๊บจิตมันไม่ง่วงด้วยก็ไม่ฟุ้งด้วยอะไรมันรู้ทันแล้วใช่มันรู้ทันแล้วนะเพราะนั้นก็ใช้วิธีอย่างที่มาว่าถ้ามันเดินหน้าเอ้ถ้ามันนั่งมันง่วงคือมันฟุ้งใช่ไหมก็เดินหน้าเดินหน้ามันยังฟุ้งอยู่ก็เดินถอยหลังเดินถอยหลังตรงไปตรงมันยังฟุ้งอยู่ก็เดินหลังอ้อมไอ้นั่นแหละซาลาไอ ห, หินสลาเฉดมนต์ตัวนั้นนะเดินหลักไฟหลังอ้อมเลยถ้าเหลังว่ามันฟุ้งอยู่ก็เรียบร้อยเหมือนเง น, น <c oughs> มันฟุ้งไม่ได้หรอกมันกลัวเพราะนั <c oughs> ้นต้องแก้หลายๆอุบายหลายวิธี <c oughs> คือต้องแก้ด้วยการทําจะไปแก้ด้วยการเอาความคิดมาแก้ความคิดมันไม่จบหรือมีเรื่องว่าไอคิดไปเรื่อยเหมือนเงินเลยเป็นนั่งดูอาการเฉย <c oughs> ๆ, ๆไม่ได้เราจะต้องตามดูมันรูปนากระนํารูปที่ว่ามัน มันมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ว่าเราจะไปนั่งดูพรานั่งดูแล้วไปเห็นชัดเดี๋ยวมันเข้าไปสู่ความส ง, งบกลับไปเดินจงกรมเดินดูเอาเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมันได้ไวขึ้นอ๋อฉันว่าเรานั่งไปนานเนี่ยมันก็ไม่ง่วงมันก็ไม่ฟุ้งรู้สึกส ง, งบดีนะถ้าอยู่ยงั้นเสี่ยงต่อความสติดส ง, งบหรือ ง, ง่วงน่ะเราก็จะต้องลุกขึ้นมาเดินเดินเดินดูเดินดูอาการของรูปนามที่มันรวมกันแล้วนะ มันจะเดินได้นานไหมแล้วก็ดดนดูไปเลยถ้าหากว่ามันอยู่ได้นานมันก็ปลอดภัยกว่าที่เรานั่งนั่งนะมันจะไม่ไม่สงบก็ง่วงแต่ถ้าเดินเนี่ยมันไม่เป็นทั้งสองอย่างแต่มันก็ยังเห็นถ้ารูปน้ํานั้นมีความเข้มแข็งมันก็จะเดินอยู่ได้นานสามารถเดินได้นานโดยที่จิตไม่เพลินไม่ออกแต่ถ้าหากมันไม่ได้อารมณ์นี้ถ้าไปเดินเนาะเดี๋ยวสักพักมันก็จะเพลินอันนี้คือปัญหาของการแก้แบบว่าถ้าเราไม่ชัดในเรื่อง ปัจจุบันของกายจิตรวมคนจะเพิ่งเดินยาวหรือเช่นสั้นก็เดินยาวมันเพลินแต่อารมณ์นี้ถ้าไปนั่งนานมันก็จะกลายเป็นถีนมิทะเพราะนื<ม>่องจะกําลังของ<ม>อสติสมาธิมันยังไม่เข้มแข็งพอเพราะนั<ม>้นวิธีแก้กค็คือเปลี่ยนเป็นเดินสักพักหนกึ่งกรเห็นเห็นได้ชัดขึ้นตรงนั้นอารมณ์มันก็จะเห็นใจรักได้ชัดเจนขึ้นอ๋อมันจังอยู่สักพักเดี๋ก็ไป เราจะไม่เสียดายมันแล้วก็เห็นความจริงก็ทิ้งไปแล้วก็สร้างบทเรียนขึ้นมาใหม่เพราะดูเป็นโลนบทเรียนนี้รู้ละบทเรียนใหม่เรื่อยไปอันนี้ก็จะทําให้เราเกิดทักษะเกิด ค, ความเชวนาญขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราะจะสร้างอะไรสักอย่างก็ทําโมเดลขึ้นมาแล้วก็ลบทิ้งแล้วเขียนใหม่ลบทิ้งแล้วเขียนใหม่หลายๆครั้งจนกระทั่งว่าได้รูปแบบที่คงที่แล้วที่ต้องการนะ่นนะความคิดที่เหมือนกัน เมันเออมันเข้ามาอย่างนี้องคิดใหม่นี่เข้ามาอย่างไงไม่ชัดแอ้วมันออกไปยังไงเราให้มันออกไปใหม่นี่เราก็ดึงเข้ามาใหม่อย่างนี้ดึงเข้าดึงออกทดลองอยู่คือมันเป็นการอทดสอบนี่ะทดสอบกันไม่ใช่ปล่อยให้มันเกิดมาแล้วก็มาทำงานกับมันแล้วมันออกไปแล้วก็ไปทำมันมันไม่ทานมันหรอกแต่เราจับมันมาให้มันเข้ามาออกเองเลยเราเป็นผู้จัดการมันเองเลยแทนที่มันจะสร้างเรื่องให้เราเราไปจัดการมันแต่เราจัดการให้มันขึ้นมาเองเลย นี่คือคือวิธีการที่เรียกว่าเมนเทลแมเนจเมนต์จัดวิเคราะห์ต่างก็เป็นธรรมวิจารณ์ใช่ไหมแต่คําว่าวิจัยเนี่ยมันก็คือเห็นอาการที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ขนาดนั้นแล้วเข้าไปดูอาการมันชัดๆขึ้นโดยนั่นเป็นธรรมวิจัยวิจัยต้องมีของจริงปรากฏแต่วิจารณ์ไม่จําเป็นต้องมีของจริงแต่ออดีตมาวิเคราะห์ก็ไม่ก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าตามภาษาเขาเรียกวทวนยาน ปั จ, จเวิกคณญาณมีการทวนได้นะแต่ว่ามันเห็นทางอยู่อะเพราะเรื่องนั้นทวนแล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมมันก็อยู่อย่ในความทรงจำก็ทำให้มันชัดเจนขึ้นเวลาเราเหมือนกันเดินทางอะเดินกลับไปกลับมาเพื่อจะจำเส้นทางได้ถ้าเราจำเส้นทางอารมณ์ได้อย่างนี้ปั๊บเวลาอะไรเกิดขึ้นปั๊บมันก็จริงเรื่องสอบอารมณ์เพื่อให้เล่าความจริงให้เป็น เพราะว่าความจริงน IE มีอยู่กับเรามากมายแต่เราไม่เคยหยิบยกขึ้นมาศึกษาความจริงอันนั้นมันก็เลยเป็นความจริงแบบสมมุติความจริงที่มีอยู่แต่ไม่เห็นมันแต่พอเรามาศึกษามาทาความเข้าใจมันความจริงจากที่เป็นสมมติมันเป็นความจริงโดยประมัิเราจึงเห็นความจริงโดยปรมัตถ้าความจริงโดยสมมติเรามีอยู่แต่เราไม่เห็นเพราะขนาดนั้น สมมติว่ามันมีอยู่เฉยๆแต่เราไม่เห็นความจริงของมันเพราะใจเราไปคิดที่ไหนไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราไม่มาทำอย่างนี้จิตก็เดินไปใจก็ลอยไ ป, ยไ ป, ยไปนู่นไปนี่ถ้ถาี่ความรู้สิก่าพาเท้าอะไรก็มีเหมือนเดิมเละแต่ว่าเราไม่ได้เห็นมันเพราะว่าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่จะเอามาทำพอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราเริ่ม มีศรัทธามีความเพียรสติ ส, สมาธิปัญญาก็เริ่มสังเกตเห็นความหนักความเบาความเร็วความช้าเห็นความชัดความไม่ชัดเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนความรู้สึกที่มันเป็นสมมุติเป็นปรมัดได้แล้วแล้วก็สั่งสมความรู้สึกอนนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะอะไรมันจะเกิดขึ้นนะเห็นหแสงแดดมันส่องลงบนหลังคาเราทุกวัน ก็ไม่ไม่มีอะไรเป็นธรรมดาแต่วันหนึ่งมันคิดขึ้นได้ไปจ้างช่างเอาโซลาร์เซลล์มาติดตั้งต่อขึ้นมาใส่ในบ้านใส่หลอดไฟพร้อมนะแต่วันก็ตกไปแล้วแต่ว่าแสงสว่างมันยังอยู่ธรรมดามั้ยนี่เขาเรียกไม่ธรรมดานะแปลงตัวสมมุติแดดที่เป็นสมมุติว่าแดดให้เป็นไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าได้ เข้าใจไหมอ่าอันนั้นแหละคือความหมายของการปฏิบัตินะอคุณอุ้มเป็นไงบ้างวันนีอ้อุ้มเพราะว่าเวลาเก็บปฏิบัติแต่และช่วงเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้สังเกตในครั้งก่อนๆ น, น่ะ น, นะแต่พอตอนหลังนี้อุ้มเล่าให้ฟังถึงเรื่องปิติมันเกิดบ่อยเพราะอะไรก็รามาทําความเพียรเร่องนี้หลวงพ่อก็ตั้งสังเกตดูเวลาทำอ้อนเป็นตรงนี้เอง จุดแก้มันก็คือต้องทำให้ไวขึ้นเพราะการที่เรายกมือช้าหรือเป็นสายเกินไปเนี่ยเราเห็นการเกิดการดับไม่ชัดมันเป็นสายเกินไปคือหมายถึงาตั้งใจตั้งใจมากไปตัวนี้แทนที่สติตรงนั้นมันจะเกิดเป็นสัมปชัญญะมันกลายไปเป็นสมาธิซะสมาธิที่เกินจำนวนเกินมันไม่บาลานซ์กับสติมันเกินมันก็ตัวนี้มันก็เ ก, กลายไปเป็นปีติ เพปิติที่ถูกกาลังของสมาธิมันสูงสั่งสมเก็บไว้ไว้นานไว้เยอะแต่พอไปมีเหตุปัจัยให้เกิดปิติปั๊บก็เกิดทันทีเลยแล้วไปเกิดความยินดีพอใจอะไรที่ด้วยด้วยความสมาธิเนี่ยไม่ได้ความพอใจด้วยความอยากหรือกิเลนนะความพอใจนี่ความประทับใจอะไรในลักษณะเป็นธรรมปิติตัวนี้ก็จะผุดขึ้นมาสวมเลยมันก็ทําให้ปิติตัวนี้แรงเพราะกําลังของสมาธิที่เราทําช้าๆเนี่ยมันถูกเก็บไว้เยอะ เพราะนั้นตัวสติที่เป็นสมาธิอย่างเนี้ยโดยไม่ผ่านขั้นตอนของสัมปจนยะเนี่ยมันจะเป็นมิจฉาสมาธิจะนําไปสู่ปิติที่เกินสมาธิที่เกินตอนวิธีก็คือต้องผ่านสติให้เป็นสมชัชปจนยะก่อนเมื่อถึงจะไปเป็นสม า, สมาธิก็เลยทาความรู้สึกตัวเนี่ยทำให้มันรู้สึกสบายผ่องปโปงโดยรู้จักหุดหยุ ด, ห ย, ดหยุดเคลื่อนชัดๆเท่านั้นเองคําว่าชัดกับเพ่งมาต่างกันชัดไม่เห็นมันถือว่า ยี่เป็นสายช้าอนี้อันนี้ชัดแบบนี้เรียกว่าสติสมาธิไม่บาลานกันละแต่ชัดแบบให้รู้เคลื่อนก็ชัดคือไม่ได้ว่าชัดเนี่ยไม่หมายถึงชง้าชัดหมายถึงว่าต้องตรงชัดโดยที่มันขึ้นลงชัดความแรงอะไรต่างเร็วแต่ว่าชัดแต่ไม่ได้เร็วแบบไม่ชัดอนะถ้าเร็วแบบไม่ชัดมันก็เพลินหรือเข้าสู่ความภาวะชินใช่ไหม แตเร็วแต่ชัดนี่ภาวะที่เป็นและปิชฌาธรรมที่ให้หักไม้นี่ไปตีเข้าเป็นความหมายว่าทําให้หดหุ้นแต่หมายถึงว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรถ้าไม่มีการพิจารณามันจะไม่ตรงเป้าหมายที่ต้องการแต่ถ้าได้พิจารณารงหมายนี้ในการที่ตรงเข้าไปสู่เป้าหมายต้องการมันจะต้องขยับเข้าไปสู่เป้าหมายนั้นให้ใกล้ที่สุด สมมติเราจะหักตรงนี้ต้องขยับมือทั้งสองเข้าไปสู่จุดที่เราจะหักใช่ไหมมันก็ห่างได้ตรงนั้นตามต้องการแต่ถ้ามือทั้งสองเราอยู่ห่างกันแล้วไปหักเราบอกจะหักตรงนี้นะมันไปหักตรงอื่นใช่เพราะไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าให้มันเอาตรงนี้ะจิตของเราเหมือนกันถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าจะให้มันตรงเป้าเพื่อให้มัอยู่กายชัดๆเนี่ยต้องเป้าป้ๆที่จะอยู่คือกายแต่เราไปทําแบบหลุ้มๆเนี่ยจิตมันก็แฉลบไปทางอื่นไม่รู้ไปออกตรงไหนแทนที่จะมาออกมาที่กายใช่ไหม นั่นก็คือต้องขยับกายมือหนึ่งซ้ายมือหนึ่งขวาซ้ายคือกายใจขวาต้องขยับกายกับใจขยับขวากันมันก็สามารถที่จะแยกออกระหว่างส่วนที่เราต้องการกายกับใจแยกออกความคิดออกไปคือห ม, มายถึงอย่างนั้นนั่นแล้วก็ใจถูกโยมอุ้ยเป็นไงบ้างวันนี้ก็ไปแต่ละครั้งเนี่ย ก็มีการอบรมนั่นแหละโดยเฉพาะเฉพาะเสาร์อาทิตย์คนชาวต่างประเทศบางคนไทยบ้างที่ธรรวัดรผู้เรื่องสียให้โอกาสแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่คนที่เปิดใจได้หลายๆครั้งเนี่ยมันมีแค่สองคนนะ่ยเปิดใจรับเรื่องนี้จริงๆริงนะพีคุณชดากับหลวงตาสมนะหลวงตาสมกลายเป็นหนาทำหน้าที่แทนหลวงพ่อได้ในบวชเดยวนี้นะั่นท่านได้เป็นพระหลวงตาเมื่อกี่พรรษาที่อาจารย์สนิทอาจารย์ธานีอยู่ที่นั่น เป็น20กว่าพรรษาเราไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้เลยอันนี้ผลห้องใจมันเปิด ม, มันมีความกล้าหาญแต่ในกรณีของคุณชะดาเนี่ยก็อาจจะมีกรรมหน่อยเนะะาะปฏิฆะกับปางตัวเองว่าอะไรว่นเนียก็ทำให้ความต่อเนื่องมาขาดหายไปก็ดีตรงที่ว่ามันตาได้ดวงตาแล้วเนี่ยอะไรจะมาครอบมันมันจะรู้สึก อย่างลัที่หมอเขียวเข้ามาหลวงพ่อเกรงอยู่ว่าถ้าใครไม่เข้มแข็งจริงเนี่ยต้องเข้าไปกับเขาแหละใช้กิจกรรมใช้วาทะใช้กิจกรรมอะไรของกลุ่มถ้าคนไม่ดวงใจดวงใจไม่เปิดดวงตาไม่เห็นธรรมเลวก็ถูกครอบงําไปนั้นแต่คุณเช ด, ดายอยังรู้สึกได้ว่าเออถ้าไปทําตามที่กฎกติกาอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นอ่าไม่ใช่ใจของเราจะรับเนี่ยมันจะรู้สึกว่าถูกกดใช่ไหมแล้วจิตมันรู้สึกไม่มีสละ มันจะติดมันจะดิ้นออกมานั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าไก่มันออกจากลูกไข่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะกลับเข้าไปนอนเป็นไข่เหมือนเดิมไม่ได้มันหมดสภาพแล้วอันนี้เหมือนกันเราพยายามจับไก่ที่มันออกจาไข่เข้าไปยัดในในในในโครงไข่ที่มันออกมาแล้วมันอยู่ไม่ได้มันดิ้นออกมาจนได้แหละนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันพอเป็นครึ่งไข่ครึ่งไก่อยู่มันไม่ออกมาในแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนั้นนั้นก็เลยว่า ถ้าเป็นไปได้การที่เข้าไปสมัครานลัที่อะไรก็ตามเราก็ไม่ได้ตัดสินว่าเขาถูกเขาผิดแต่เราดูความรู้สึกของเราว่ามันปกติไหมเมืม่อไปสัมผัสเพราะคนแต่ละสอนเขามุ่งหมายให้คนดีทั้งนั้นน่ะแต่ว่าจะดีแบบละดีเลยติดดีแท้แ น, น่แต่สอนให้คนติดดีก็คือมันคนที่ออกจากดีได้แล้วออกจากชั่วได้แล้วถึงจะออกไม่ได้ไม่หมดนะแต่มันจะรู้สึกว่าดีเกินไปก็บังคับตัวเองอะ น, นั่นอันนี้เ็เรียกว่าสีละประตับรลมาดเนี่ยมันลักษณะอย่างนี้คือหมายความว่าอะไรที่ว่าดีถ้ามันเกินจำเป็นในความจำเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ดีละอันที่ความยึดเอาไว้เพราะนั้นในวิธีการในอเมริกาเนี่ยน่าเห็นใจอย่างหนึ่งว่าของใดก็ตามที่เขา อิมพอตเข้ามาเนี่ยมันของดีๆทั้งนั้นมีตัวเลือกเยอะนีอาจารย์ที่เข้าอเมริกาได้ไม่ใช่ม า, าก็บี่มือหนึ่งเขาบางไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสมาชิกทั้งหลายที่ไปสมาทานเนี่ยถ้าไม่แน่จริงหมายความว่าถูกเขาดึงไปหมดอ่ะแต่ที่นี่ท่านอาจารย์ครูท่านใจกว้าง ลองให้เข้าไปหมุดก่อนแล้วผมจะเอากลับคืนทีหลังนั้นมั่นใจอย่างนั้นนะดูจะเอากลับคืนยังไงปีหน้ายัางหมอเขี้ยวมาอีกระดับที่หนึ่งกุยกล้ามาอีกระดัที่หนึ่งความหมดวัดพอดีเลยวันนี้นะ <c oughs> กูจะมั่นใจได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องต้องเสี่ยงกันไน่อยาะงั้นก็จะเอาคืนได้เหมือนเงินอะไรนะวกไปตามอันไอไอะไรพระ เทวทัตสมัยนั้นนะนะที่เทวทั์ทกลอ m ไปที่กว่าดพระสารีบุตรกับว่า ม, มุขคณาไปเอากลับคืนมากลับคืนมาได้มากี่คนเพราะนั้นไปหมดเลยเ <c oughs> พราะนั้นแต่สมัยนี้เป็นสมัยเสี่ยงดวงกันจริงๆนะเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเเราจะบอกเขาถูกเ้าผิดก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าคนของเราเนี่ยได้ดวงตาหรือยังถ้าไม่ได้ดวงตาไม่รอดสักลายหรอกเพราะแต่ละขวาจันทร์แต่ละคนเจ้าหน้ที่แต่ละคนในแหลมคมทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้น <c oughs> นั้นที่คุณชดารอดมาได้ก็ น, นึกว่าขนาดคุณประภาพิษนี่ยหมอประพาพิษเนี่ยนะผ่านโควเทียนมาดีตรงนะยังไม่รอดเลยเนี่ยไปติดประมวดจครึ่งหนึ่งหมอเขียวเอาไปจมวัวแล้วเมื่อตอนนี้เนะเะพราะอะไรเพราะเขามาก็ได้ปฏิบัติเขารู้รู้หลักการเป็นอย่างดีเลยสอนคนได้นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติเพราะไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนว่ามันอ่านตำรา ก, กับข้าวจันจําอ่ะ แต่พอไปทำกับข้าวจริงๆไม่เป็นเรื่องไม่ไปลดเลยว่างั้นออันนั้นคือคือลักษณะของคนที่รู้ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นทำรายพระธมดท่องจำหมดแต่ว่ากิเลสยังมีเต็มตัวไม่ฟังคอมเมนต์ของอาจารย์ถามว่าตัวอะไรเป็นตัวที่แยกเห็นความรู้สึกหนักเบา แต่คุณอุ้ยต่อไปไม่ตรงเป้าของพ่อเลยถามอีกคํานึ่งในการหยิบลูกไอ้น้ําน้ําให้กำลังดูถ้ากำลังบีบเข้ามารู้สึกเจ็บใช่ไหมปล่อยออกไปรู้สึกไม่เจ็บแล้วอะไรเป็นจุดแยกระหว่างเจ็บหรือไม่เจ็บตรงนี้คุณตรงนี้คุณก็ตอความรู้สึกใช่ไมเพราะนั้นระหว่างรู้สึกหนักหรือเบาอะไรเป็นจุดแยกก็คือความรู้สึกนั่นเองใช่ไหมเพราะนั้นเราจับที่ความรู้สึกแต่เราไม่ได้จับที่หนักที่เบา ได้เห็นความหนักเบาบนตัดเส้นตัดกันตรงนั้นถ้าหากเราเห็นเส้นตัดตรงนั้นสติสมาธิก็เกิดขึ้นตรงนั้นแต่ส่วนใหญ่เราไปดูหนักดูเบาจิตไปอยู่กับหนักกับเบาซึ่งมันก็เป็นเห็นแต่รูปไม่เห็นนามแต่พอเห็นจุดเชื่อมระหว่างหนักกับเบาต่อกันเป็นความรู้สึกเฉยๆตรงนั้นเป็นความรู้สึกล้วน เริ่มจับได้ใช่ไหมก็ต้องทําหลายอย่างสมมติว่าเราอถามยุมเป็นวัเ น, นี้ยระหว่างยืนเท้าเดียวกับสองเท้าเนี่ยน้ําหนักอันไหนมากกว่ากันน้าหนักข้างไหนมากกว่าน้ําหนักข้างที่เรายืนข้างเดียวหนักกว่าแต่เราเหยียบลงไปสองเท้าอ่ะมันเท่ากันท่านี้หนักมากกว่าท่านี้น้อยกว่าเวลาอีกสองเท้านี่นะ เดบอเออถ้าไปขึ้นไปบนตะช่างเนะ่น้ำหนักเวลายิงขาเดียวกับสองขาน้ำหนักเท่ากันไหมโยมเินชักงงบ <c oughs> อตอนแรกมันอยู่ขาเดียวมันหนักกว่าใช่ไหแล้วยิงสองขานะ่ะเหยบเหยบย บ, บนตะช่างสองขานะ่ะหนักมากกว่าขาเดียวไหมอ๋อมันก็ไม่หนักกว่ามันเท่าขาเดียวนะเพราะงี้ตรงนี้ออมันมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันความคิดมันหลอกเราได้นะ คือเวทนาเนี่ยมันหลอกเรานาวิยาศาสตร์ก็เลยพิสูจน์ว่าเวทนาเนี่ยมันหลอกเราอย่างไงให้เอาน้ํามาสองอ่างอ่างหนึ่งเป็นน้ําร้อนอ่างหนึ่งเป็นน้ําเย็นแล้วก็จุ่มมือลงไปทักที่จิตเิเยวของเราอะแต่มันบอกสองความรู้สึกข้างซ้ายเป็นเย็นข้างขวาเป็นร้อนนี่นะไม่ใช่ว่าพอดีนะน้ําร้อนน้ำเย็นผสมกันทนจะรู้สึกพอดีแต่ไม่พอดีนะร้อนก็ยังร้อนเหมือนเดิม เย็นก็ยังเย็นเหมือนเดิมทีนิใจของเรารู้ใจเดียวถ้าทำไมไมจึงได้สองอย่างยืงเป็นเราจะรับรู้เพียงแต่ร้อยอย่างเดียวไม่รับรู้เย็นได้ไห ม, ไม <c oughs> ถามยมเล็กดีกว่ <c oughs> <c oughs> าววที่หลวพ่อถามเน่ย อแสดงว่าไม่ได้ฟังที่หลวงพ่อถามโอ้ไปคิดอะไรอยู่แสดงว่าคิดหาคำตอบแล้วบางอย่างเนี่ยฟังแบบม่ได้ฟังงั้นไม่ได้ถามผ่านไปเลยเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจฟังที่ทางยุ่มเล็กยุ่มเล็กเป็นไงวะามื <laughs> be ่อ <laughs> นี้ <writers>